อีกสูตรหนึ่งนะครับสารานสูตรเหมือนกันเถอะว่าด้วยการหลีเกเร้นมีผลสองอย่างผลของการหลีเกเร้นนะหรือผลของการย่วิเวกนั่นเองนะครับผลของกาย่วิเวกเป็นต้นะนะแต่ว่าคําว่ากายย่วิเวกอีกศัพท์หนึ่งก็คือหลีเกเร้นนะครับที่จริงก็ต่างโดยดุพยัญชนะตอนนั้นนะครับจึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเห็นนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า ดูการพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นประกอบจิตของตนไว้ในสมถะในภายในเนืองเนืองมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสนาพอกพูนศูญย์ยาคารอยู่เถิดนะว่าส่งเสริมเลยนะครับส่งเสริมเลยนะให้หลีกเร้นมังนงั้นให้ยินดีในการหลีกเร้นนะแล้วหลีกเร้นก็เจริญสมถะในภายในนะครับ มีฌานไม่เสื่อมก็เจริญวิปัสสนาก็ยินดีในสุญญาคารว่างั้นเถะดูความพิสูจนทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีความดีเกร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความดีเร้นประกอบจิตของตนไว้ในสมถะในภายในเนืองเนืองมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสสนาพ่อกพูนสุญญาคารอยู่พึงหวังได้ผลสองอย่างถ้าปฏิบัติตามนี้นะจะได้ผลสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ความเป็นพระอนาคามีนะครัะถ้าหากว่าปฏิบัติตามนี้นะอรหันต์ในปัจจุบันแน่นอนหรือถ้าหากว่ายังเหลือกามุปาทานนะก็จะเป็นพระอนาคามีเพราะพระอนาคามีนี้ละที่ถูกปาทานศีละพระตุปาทานอัตวาทุปาทานได้หมดแล้วถ้ายังเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นการมุปาทานนะจะเป็นอนาคามีไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วโดยการ ปฏิสนธิไม่ยากครับครหอขัสชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเมื่อบางครั้งนี่เขาสามารถที่จะปลีกออกจากบ้านเรือนเนี่ยมาอยู่ตามสำนักปฏิบัติหรือตามวัดตามอะไรเนี่ยนะัก5วันเจวันครึ่งเดือนหนึ่งเดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาควรเขาควรที่จะหลีกเล้นตามนัยนี้หรือเปล่าหรือว่าควรหรือไม่ควรยังไง ถ้าต้องดูคือคือคำกล่าวนี้ต้องวิเคราะห์โดยหลายแง่มุมนะครับถ้ามีสถานที่ดีนะสถานที่ดีมีกาลยานมิตรพอที่จะหลีกเล้นได้ไม่คลุกคลีแล้วก็มีโอกาสฟังธรรมสนทนาธรรมเนี่ยนะก็ดีนะครับคือคารวะาเนี่ยนะครับไม่ได้มาหลีกเล้นอยู่เงีเยบๆหรอกครับราาคารวะคําว่าหลีกเล้นของคารวะาก็คือมาวัดฟังธรรมนั่นแหละนะถ้าจะพูดนัยยะหนึ่งนะ คือการหลีกเล้นของคาระวะก็เล้นจากการงานทั้งหลายแล้วก็มาศึกษาธรรมะฟังธรรมะเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นช่วงๆเป็นโอกาสเหมือนกับเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมช่วครั้งช่วคราวเป็นต้นเนี่ยนะถ้าตามธรรมดาแล้วผมว่าดีดียังไงครับดีตรงที่ว่าได้มีอะไรได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องๆไปนะครับแต่แต่หมายถึงว่าสถานที่สปายะนะบุคคลผู้สั่งสอนแนะนําก็สปายะนะครับอาหารเป็นต้นก็สปายะแล้วก็ ไม่มีปัญหาในภายหลังนะคะเน้นว่าเมื่อมาทําแบบนั้นแล้วครอบครัวเป็นต้นไม่เดือดร้อนในภายหลังเนี่ยนะครับไม่ไม่อย่างนั้นโหมันกลับบ้านบ้านแตกสาแตกขาดอย่างนี้น ก, ก็ก็ไม่ไว้นะครับครับต้องต้องถ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะถ้าเรียบร้อยหมดสถานที่ส ป, ปายะอาหารส ป, ปายะเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีภารากิจอย่างอื่นถ้าเทียบแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกหรือฟังธรรมสนทนาธรรมก็ราบเรื่องกว่าที่บ้านนะครับถ้าเทียบไปแล้วนะ ถ้าถ้ามีที่อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีที่อย่างที่ว่าก็ยากเหมือนกันนะครับคือคือจะมองให้มันเป็นรูปธรรมในยุคนี้นะก็นับว่ายากพอสมควรนะครับแม้แต่บุอย่าวะคาราว่าเลยครับพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์เ네นรเราเนี่ยนะครับจะหาที่ที่ว่าเนี่ยหาที่ไหนล่ะเอานะครับไอเปรีกเรนเนี่ยไปอยู่ที่เงียบเงียบมันหาไม่ยากหรอกครับที่เงียบเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ย ประกอบจิตของตนไว้ในสมถะในภายในเนี่ยมเจริญยังไงสมถะฌานไม่เสื่อมเออฌานนี่มีกี่อย่างแลว้วก็วิปัสสนามันเป็นยังไงอย่างไรชื่อว่า พ, อพ่อภูนุสุญญาคารเป็นต้นต้องทําความเข้าใจอันนี้ให้เพียงพอก่อนนะครับแล้วค่อยหลีกเล่นไม่งั้นก็มานั่งจัองอยู่อย่างเดียวนะครับถ้าหากว่ามานั่งอยู่เฉยๆนี่นะครับผมเนี่ยหลีกเล่นมากนะแต่จะทำไมผมยังใช้คำว่างั้นสมัยเด็กๆเนี่ยผมหลีกเลนจริงๆเพราะผมอยู่แต่ในทุ่งนาคนเดียว เพราะฉะนั้นเลี้ยงควายนะครับมั้นหลีกเล่นมากหลีกเล่นโง่อย่างนั้นเป็นจะฉลาดอะไรนะครับพวกชาวนาชาวไร่ที่ไปอยู่ในท้องไร่ท้องนานี่เขาก็หลีกเล่นของเขานอะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผมไปนอนอยู่ในกระท่อมในป่าเนี่ยบ่อยมากนะครับปกติเลยนะครับเช่นผมเวลาไปหาปูหาปลาผมก็อยู่กระท่อมในป่านั่นนเงียบกกิบหมดนะครับมีเสียงอะไรสักอย่างเลยนะนยจนเหงาเลยนะครับ ก็ถ้าถ้าอาศัยการนั่งอยู่ที่เงียบๆชื่อว่าลีกร้นก็แหม่จังนะครับพวกชาวเขาชาวดอยจะได้ดีที่สุดนะครับแต่นี้ว่าข้อปฏิบัติตามคำสอนคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะครับแต่นี้พระผู้มีพระภาคผู้ฉลาดว่าเออสัมมาทิฏฐิ ท, ที่หรือว่าผู้ที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีมีปัญญาเป็นอย่างดีแล้วสถานที่ที่จะเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐินี่คือที่หลีกร้น แต่ไม่ใช่ว่ายังอะไรไม่มีเลยจะหาที่หลีกเล่นก่อนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือหมายถึงเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยนะสมควรจะหาที่เช่นไรจริงจะเป็นสปายะตรงนี้พระองค์ก็เลยแนะนำเอออย่างนี้สปายะนะแม้กระทั่งการสร้างวัดสร้างวานในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะอนาถปินทิกะเศรษฐี โคสิตะเศรษฐีกุกุตะเศรษฐีหรือว่าชีหมอชีวกเป็นต้นที่สร้างวัดถวายพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับก็เน้นสถานที่ที่หลีกเลนนะครับเน้นสถานที่ที่หลีกเล่นสําหรับพระพระคุณเจ้าทั้งหลายผู้ยินดีในการเจริญจิตภาวนาเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะก็จะได้เจริญจิตภาวนาอย่างเต็มที่นะครับคือแต่ก็คารวะนั้นถ้าถ้าเท่าที่ฟังฟังดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขามีโอกาสได้หลีกเลนออกจากบ้านจากเรือนเป็นต้นเนี่ยะครับ ก็ดูเขาจะแจ่มใสกว่าอยู่ที่บ้านนะครับในวิวบ้านแล้วมันขัดหูขัดตาไปหมดนะครับก็เหมือนกับพวกจเจ้าว่าทั้งหลายงานยุ่งๆเนี่ยออกจากวัดบ้างก็ดีนะครับออกจากวัดบ้างก็ดีพอพูดอย่างเงี้เลยผมเลยออกจากเชียงใหม่เลยแล้วในคาถาประพนันธ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชนเหล่าใดมีจิตสงบแล้วมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีสติมีฌานไม่มีความเพ่งเล็งในกามทั้งหลายย่อมเห็นแจ้งโดยชอบเป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภายในความประมาทชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความเสื่อมรอบย่อมมีในที่ใกล้นิพพานเทียวนะครับโอ้สูตรนี้ดีนะครับ มีบทขยายที่น่าติดตามหลายคําบทว่าปฏิศาลานารามะนะครับที่ว่าหลีกรนเนี่ยนะได้แก่เป็นผู้หลีกเลี่ยงจากสัตว์และสังขารเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วหลีกรนอยู่ผู้เดียวนะครับชื่อว่ามีกายวิเวกเพราะเสพเอกายนามะนะครับคือหมายเขาว่าลีกร้นจากสัตว์และสังขาร น, นะครับไม่คลุกคลีทั้งสัตว์และสังขารทั้งหลายไม่วุ่น สังขารก็เช่นไม่วุ่นอยู่กับการเย็บการย้อมการอะไรทั้งหลายแลยเนี่ยนะครับการตีตะปูการก่อสร้างทำโ น, โน่นทํานี่วา่ารูปวาดเขียนทั้งหลายแลยเนี่ยนะครับเรียกว่าสังขาร น, นะครับลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงจากสัตว์และสังขารนะครับไม่ใช่โอ้โหเลี้ยงจากสัตว์แล้วไปนั่งชมนกชมไม้อะชมแต่ไม้อย่างเดียวนะครับดอกนี้หอมดอกนี้ไม่หอมโดยจากดอกหนึ่งสู่ดอกหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากพึ่งนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เชื่อว่าปฏิสั ล, ลานารามาเพราะเป็นผู้มีความหลีกเล้นเป็นที่ยินดีถือเป็นที่ชอบใจนะครับยินดีในการยินดีในกายะวิเวกอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหมายถึงว่าคำว่ากายยะวิเวกคือยินดีในเนคขมมานะครับจิตต้องเป็นไปกับกุศลวิตกอย่างเดียวนะครับ เชื่อว่าปฏิสัน ล, ลานารามาเพราะความเป็นผู้มีความเลียกเร้นดังกล่าวแล้วเป็นที่มายินดีเพราะควรมายินดีคือคือเคยอธิบายไปแล้วว่าหมายถึงเนคข ม, มะวิตกนะครับให้รู้ว่าเมดเนคข ม, มะวิตกหรือว่ากุศล ว, วิตกนั่นแหละครับเรียกว่ากายวิเวกนะครับคือกายนี่ออกด้วยแล้วก็จิตก็ออกด้วยนะอย่างที่ว่าไปแล้วบทว่าวิหาระะความว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่อย่างนี้เถิด ชื่อว่าปฏิสารลาณรตาเพราะเป็นผู้ยินดีแล้วคือยินดีเป็นนิดเบิกบานแล้วในความเด็เกเล่นมีความสุขในการเที่ยวไปแต่ผู้เดียวว่างั้นน่ะมีความสุขในเมื่อไม่มีคนอยู่ข้างหน้าข้างหลังว่างั้นผมผมนึกถึงอ่าโยมีอยครั้งหนึ่งนะครับผมเดินไปคนเดียวนะในในป่านะฮะในป่าแล้วก็ไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะแล้วก็ ชมยืนชมมันอต้นไม้นี่ดีนะงามดีสพรังแล้วก็มีลูกเล็กๆอยู่แล้วก็มีนกมันเจ้าเจ้าเจ้าเ้ า, าแล้วก็ <c oughs> เอาไปเล่าให้พระรูปหนึ่งฟังนะครับก็เป็นลูกศิษย์สายทางอาจารย์ทางภาคใต้นะฮะเอ่อไปเล่าเอาคล้ายๆว่าเอากิเลสไปเล่าให้ท่านฟังว่าผมเดินมานี่นะในกิเลสเอเดินชมนกชมไม้อะไรเงี้ยฮ ะ, ะท่านเขาบอกว่า แม้ยิ่งอย่างงี้เนี่ยมันเดินชมนกชมไม้เนี่ยมันไม่ใช่กิเลสนะถ้าใครบอกว่าเป็นกิเลสเนี่ยผมต้องขอถเถียงละวางกันน ะ, นะฮะครับทั้งๆ ท, ที่ไอไอความรู้สึกในของผมเนี่ยของก็ว่าที่ศึกษามาบ้างงูงง ป, ป่าเนี่ยนะผมก็ว่าผู้ถูกรู้ป่ะเพราะอันนี้อันนี้พระพุทธเจ้าเลยวันนะพวกนั้นที่ร่าขาเาพเดืิดเดือดแล้วพวกนี้ฮะมันเป็นกิเลส น, นะแต่แต่พอได้เขาได้ฟังเขาว่าอย่างงี้นะอาจารย์นะเราลึกๆเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นกิเลสนะ แต่มันโฮเขาพูดมันถูกใจครับมันก็เลยเออดีใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยครมันก็ปรากฏว่าต่อไปนะก็เลยไม่สํารวจนะครับเต็มที่เลยมีชมชมนกชมไม้สบายมากครับครับดีนะให้ต้นไม้ที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเพิดเพินอย่างนั้นจุ่ตีขนาดนั้นก็เฝ้าต้นไม้นั้นแหละครับไอ้นี่เดียวปาประมิดเนะครับครับบุคคลบุคคลนี้เป็นปาประมิดเสียงพูดนั้นเป็น อาสัตถธรรมะนะครับเป็นอาสัตถธรรมบุคคลเป็นปาปมิตรนะครับ ค, ำคํำที่เปล่งออกมานี้เป็นอาสัตถธรรมนะครับาาร ก, ก็เป็นปัจจัยแห่งมิจฉาทิฐิเพราะว่ายังไม่บาปก็ยังไม่คิดว่าเป็นเป็นบาปนะครับคิดสําคัญว่าเป็นบุญนะครับเอางี้นะง่ายๆก็เอาทานศีลภาวนาไปจับดูสิครับไอ้ที่เพิดเพลิอนนี่เข้าอะไรบ้างนะครับเอาบุญกิเลสวัตถุศีลไปสงเคราะห์ลงนะครับเอาวินัยพระสูตรพระพิธรรมไปสงเคราะห์ลงนะครับ ไม่เข้าสักอย่างเลยนะครับจะเห็นว่าโอ้ไม่ใช่มักมีองค์แปดศีนก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ไไดนั ก, น, กนักเข้านะครับเป็นไปเพื่อเสียศีนด้วยซ้ําไปนะครับนะเป็นไปเพื่อเสียศีนถามว่าเสียศีนยังไงเช่นว่าเห็นต้นไม้บางอย่างที่เป็นศัตรูพืชเนก็อยากกําจัดอย่างไรอาจจะขยันขึ้นหรืออาจจะไปพรวนดินรดน้ําใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ไปไปมาม า, มาเข้าก็จะไปทําหน้าที่เกษตรกรซะนะครับลืมเลยว่านักบวชนะครับ ก็จะภาเสียพาวิบัติอย่างอื่นๆมากขึ้นไปอีกนะครับนักนักเข้าก็จะไปเป็นนักอนุรักษ์นิยมนะครับนะสมณ ก, กิจก็ไม่เอาสักอย่างแล้วครับจะไปปลูกปา่าปลูกต้นไม้พุ่นอยู่กับเรื่องเราเนระื่นั้นนะครับนัน ก, ก็คือค้ายว่าผิดงานนะครับด้วยเหตุเพียงเท่านี้การประกอบความเพียรและความเป็นผู้มีการหลีกเร้นอันเป็นนิมิตแห่งการประกอบความเพียรนั้นท่านแสดงไว้แล้วคือหมายคว่าถ้าหลีกเล่นเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายของการเพียร นะครับเพราะว่าไม่ไม่ต้องไปมีอะไรให้วิตกกังวลแล้วนี่การประกอบความเพียรเว้นจากธรรมะทั้งหลายเหล่านี้คือสีและสังวรความเป็นผู้มีการคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะสติและสัมปชัญญะก็ย่อมมีไม่ได้เพราะเหตุนั้นพึงทราบ ว, ว่าธรรมะเมเหล่านั้นท่านกล่าวไว้ในที่นี้โดยเนื้อความเท่านั้นคือถ้าจะบอกว่าลีเกรนนะคาว่าลีเรนเนี่ยเท่ากับพูดแล้วว่า ลีเรรนเพื่อความเพียรทีนี้คนที่จะเจริญความเพียรได้จะต้องมีจารณะว่างั้นเถอะ เ, เอาจารณะมานะคืออะไรบ้างครับศีลสํารวมด้วยศีลอินทรีสังวโรโภชเนมตัญยุตาแล้วก็สติสติสัมปชัญญะนะครับคือคือความเพียร น, นั้นก็ชาคริยานุโยกก็ใช้ได้ละนี่ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้ก็เสียเปล่านะครับไปอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับ ไปเดินคนเดียวไปหลีกเร้นอากุศลวิตกนะไปหาที่ฟังธรรมดีกว่านะครับนะไปหาที่ฟังธรรมสนทนาธรรมเป็นต้นดีกว่าถ้าจะไปเดินคนเดียวแล้วอักุศลวิตตกเกิดนะแต่นี้หมายถึงว่าคนที่ศีลดีแล้วแล้วก็คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายได้เขาควบคุมใจไม่ให้เป็นไปกับบาปได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ประมาณในโภชนะเนี่ยนะครับ แล้วก็มีสติสัมปชัญญะศึกษาคําสอนเป็นต้นมาเป็นอย่างดีนะครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างดีแล้วนะครับนีกุศลเจริญจริงๆ <c oughs> บทว่าอัชตังเจโตสมถะมนุยุตตาได้แก่ประกอบจิตของตนไว้ในสมถทะนะครับบทว่าอัจชตังอัตโนความอย่างเดียวกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันนะครับคือในภายในเนี่ยครับภายในตนเนี่ยก็ภายในก็อันเดียวกันนะนะคือทําจิตของตนไว้ ไว้ในสมรรถะนะครับบทว่าอะ น, นิรากตัดชานาะได้แก่มีชาญไม่นําออกไปภายนอกหรือมีชาญไม่เสื่อมก็บทว่าการนําออกหรือความเสื่อมชื่อว่านิรากตังดุดในคําว่าทำพังนิรังก ต, ตวานิวาตวุติการประพฤติอ่อนน้อมเพราะไม่ยอมรับความดือ้อนี่เกี่ยวกับเรื่องการหลักการขยายศัพท์นะครับ บอกว่าวิปัสนายสมนาคตาได้แก่ประกอบแล้วด้วยอนุปัสนาเจ็ดนะไม่ใช่วิปัสนาธรรมดานะที่พระ อ, องค์ตรัสว่าไงครับเธอจงเป็นผู้มีความหลีเกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีเกเล่นประกอบจิตของตนไว้ในสมถะภายในเนืองๆมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสนาสนะังเกตนะว่าหนึ่งกายวิเวก กายวิเวกเสร็จแล้วก็มีความเพียร น, นั้นคุณธรรมของความเพียรเป็นต้นก็คือมีศีลเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็เจริญสมถะมีฌานไม่เสื่อมคําว่าฌานนี่หมายความว่าเจริญลักคนูปนิสชาอารัมณูปนิสชานแล้วก็มีอนุปัสนาจนะครับตั้งแต่ระดับพังขยานเป็นต้นนะครับจึงเรียกว่าอนุปัสนาเจิตลัคนูปนิสชานนี่เป็นวิปัสนาอารัมณูปนิสชานนี่เป็นสมถะครับ อนุปัสสนานี้มี7อย่างนะครับคืออนิจจานุปัสสนานะครับปัญญาที่ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับทุกขานุปัสสนาปัญญาที่ตามเห็นขันห้าโดยความเป็นทุกนะครับอนัต тан ตุปัสสนานะครับความเห็นตามเห็นขันห้าโดยความเป็นอนัตตาแล้วก็ น, นิพพานุปัสสนาก็คือตามเห็นขันห้าโดยความเป็นของหน้า <буд> Kanye, เบื่อหน่ายวิราคานุปัสสนาก็คลายกำหนัดนะครับนิโรธานุปัสสนาก็ตามเห็นความดับปฏินิสคานุปัสสนาก็ เห็นในการสละทิ้งหรือสละคืนวิปัสนาเหล่านั้นพิสดารแล้วในวิสุทธิมัคนะครับพอดูในวิสุทธิมักเล่มสุดท้ายนะครับบดว่าพรูหิตาโรสุญยาคารานังได้แก่เจริญสุญยาคารอันหนึ่งในบทว่าสุญญาคารานังนี้ได้แก่ความสงัดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นฐานะอันควรแก่การบําเพ็ญภาวนาคําว่าสุญยาคารนะครับพ่อพูนสุญยาคารก็คือที่ไหนก็ได้ ที่คู่ควรแก่การเจริญอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับพิสูจน์ทั้งหลายเรียนกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแล้วเข้าไปยังศูนยาคารตลอดคืนและวันนั่งบำเพ็ญภาวนาพึงทราบว่าเป็นผู้พ่อพูนศูนยาคารส่วนผู้อยู่แม้ในปราศาสต์ชั้นเดียวเป็นต้นเพ่งอยู่คือเจริญฌานอยู่นะก็พึงทราบว่าเป็นผู้พ่อพูนศูนยยาคารเหมือนกัน ถึงจะอยู่ในบทยอยู่ในวิหารศารลาการเปรียนอะไรถ้าเจริญได้อย่างที่ว่าก็ชื่อว่าพอกพูนสุญยาคารเหมือนกันนะครับนะคือเอาการการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นประมาณนะครับที่เรียกว่าพอกพูนสุญยาคารเนี่ยนะเจริญสุญยาคารเนี่ยอยู่เรือนว่างเนี่ยนะครับ ว่างในที่นี้เน้นเอาที่ว่าอยู่แล้วเจริญสมถวิปัสสนาได้นะครับเน้นเอาตรงนั้นเป็นประมาณนะครับถึงจะว่างจริงๆเงียบกงเงียบจริงๆก็ได้หรือว่าอาจจะที่พลุกพล่านแต่เจริญดีก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครอีกครั้งหนึ่งนะครับความเป็นผู้มีกายหลีกเล่นอยู่อันใดที่ท่านตั้งไว้ในบทว่าปฏิสัลานารามาภิกขเววิหาระทปฏิสัลานารตา ความเป็นผู้มีกายหลีกเล่นอยู่นั้นย่อมมีแก่ผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีศีลหรือมีศีลไม่บริสุทธิ์นะครับเอาศีลที่บริสุทธินะจึงจะไปหลีกเล้นได้นะครับเพราะผู้มีศีลบริสุทธินั้นน่ะไม่มีการหมุนกลับจิตจากรูปอารมณ์เป็นต้นอัถแห่งความพยายามท่านกล่าวไว้เลยในะบทว่าศีลวิสุทธิ์ที่ทศิตาศีลวิสุทธิ์ที่ท่านแสดงไว้แล้ว เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าหลีกเล่นเนี่ยนะครับจะตุปปาริสูที่ศีลก็บริบูรณ์เรียบร้อยแล้วท่านกล่าวสมาธิภาวนาด้วยบทสอว่าอัจฉเจโตสมถะมนุยุตาการประกอบจิตของตนไว้ในสมถะในภายในกับอะ น, นิรากตัจชานามีฌานไม่เสื่อมอันนี้หมายถึงสมถะภาวนาหรือสมาธิภาวนาท่านจัดปัญญาภาวนาไวในบทว่าวิปัสนายสมนาคาตาเพราะฉะนั้น ในสูตรนี้เท่ากับแสดงสิกขาสามอันเป็นโลกิยะนะครับทบทวนในในพระสูตรนะว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีกเล่นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเล่นตรงนี้นี่นะครับเป็นชื่อของศีลวิสุท ธ, ธิประกอบจิตของตนไว้ในสมถะในภายในเนืองเนืองมีฌานไม่เสื่อมตรงนี้สมถะภาวนา ประกอบด้วยวิปัสสนาภาวนาอันนี้หมายถึงปัญญาภาวนาเพราะฉะนั้นจากพุทธพจน์แค่นี้ก็สิกขาสามอันเป็นโลกิยะก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือไปหลีกเล่นเจริญสิกขาสามอย่างนั้นเ็นะแต่พระองค์สามารถใช้ถ้อยคำได้วิจิตนะครับ แต่สรุปแล้วประโยู่ก็คือเจริญไตรสิกขาอยู่นั่นแหละถึงจะใช้วิจพงษ์เนี่ยนะครับถึงจะใช้เทศนาโวโอหารใช้คําพูดคําเทศคําแสดงอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางแห่งคําสอนเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อไตรสิกขานะครับหรือว่าเรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์เพื่อมรรคพรหมจรรย์อย่างเดียวนะครับนะถึงจะใช้ศัพท์หลากหลายขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นอ่านพระสูตรที่ไหนนะครับก็ต้องหมั่นสงเคราะห์ว่าพุทธพจน์นี้เป็นศีลหรือเปล่า พุทธพจน์นี้เป็นศีลหรือเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาหรือเป็นวิมุตต์หรือเป็นวิมุตติญาณทัศนะนะครับต้องแยกแยะในส่วนเหล่านี้ให้ได้นะครับสำนวนว่าต้องแยกแยะโดยลำดับญาณเป็นต้นให้ได้หรือลำดับวิสุทธิทั้ง7ให้ได้นะครับเวลาอ่านพุทธพจน์ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอะไรเป็นอัตถะอะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นสมถะวิปัสนาอะไรเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานในพุทธพจน์นั้นๆต้องแยกส่วนนี้ให้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าแยกอย่างนี้ได้แล้วจึงจะมีปีติปราโมทในธรรมนะครับเมื่อรู้อัรู้ธรรมแล้วจะได้ปีติปราโมทเป็นต้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่ายังแยกไม่ได้ก็ฟังคนที่เขาแยกได้หรืออัตตกถานะครับแยกให้ดูแล้วนะครับก็พยายามอ่านอัตตกถาหรือดีกาแล้วก็เทียบเคียงในที่อื่นๆนะครับบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงถึงผลอันมีแน่แท้ของผู้ตั้งอยู่ในศิกขาสามเหล่านั้นถ้าเจริญศิกขาสามแบบนี้นะมีผลแน่นอน เขาบอกว่าผลนะ น, นะผลสองอย่างนะครับคือผลที่สามและที่สี่คืออนนาคามีผลหรืออรหัตตผลพึงปรารถนาได้บทว่าอัญญาได้แก่ผ้าอรหัตจริงอยู่ผ้าอรหัตท่านเรียกว่าอัญญาเพราะรู้รไม่เกินขอบเขตที่รู้ได้ด้วยมัรคยานเบื้องต่ําและเพราะไม่มีกิจที่จะต้องรู้เบื้องสูงเพราะผ้าอรหันเป็นผู้มีความบริบูรณ์แล้วอันนี้ขยายศัพท์นะครับผ้าอรหันนี่รู้ก็ที่จริงอ่ะอริยศาสตร์ก็รู้เหมือนกับที่ตอนเป็นพระ อนณาคามีเป็นต้นรู้แล้วนั่นแหละนะครับรู้ ร, รูแนวเดียวกันนะครับเพราะเาเห็นอริยสัจเหมือนกันนะครับแต่ทีน่นี้แต่ก็ไม่มีกิจที่จะต้องรู้มากกว่านั้นอีกแล้วนะครับแต่พระอานาคามีเนี่ยนะครับก็รู้เหมือนกับที่สกท า, าคามีรู้นั่นแหละแต่ก็ยังมีอรหัตตะมักที่จะต้องรู้เพิ่มขึ้นอีกนะครับคือโดย ในส่วนที่เรียกว่าพาเวตปธรรมต้องมีอีกประหาตปธรรมในบางส่วนที่จะต้องละนะเพราะฉะนั้นพระภาริยะจึงมีหลายระดับอย่างที่กล่าวไปข อ, อการครับในเมื่อพร ะ, อ, ะอนาคามีเนี่ยท่านก็รู้อริยสัจเหมือนกับพระอรหันต์ครับคุณภาพของมรรคไม่เท่ากันนะครับ คือคือรู้อริยสัจอริยสัตเนี่ยอริยสัจเหมือนกันละ่ะแต่คุณภาพของมัคสัตย์ไม่เท่ากันเช่นถ้าพระอนาคามีก็เป็นอนาคามีมัคนะครับพระอรหันต์ก็เป็นอรหัตตมัคคุณภาพของมัคไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะกิจคือการประหารกิเลสไม่เท่ากันอานอาคามีมัคก็ประหารกิเลสระดับหนึ่งอรหัตตมัคก็ประหารกิเลสอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ทั้งหมดก็เห็นพระนิพพานเหมือนกัน มีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันนะครับแทงตลอดอริยสัจสเหมือนกันนะครับก็คงก็คงศึกษาต่อไปต่อไปแน่นอนเพราะว่าเป็นอาจินไต <c oughs> ตึกไม่ได้นนในคาถาทั้งหลายนะครับคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดมีจิตสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนนะครับเนปะกะนะหรือสัทธะสัมประชันญานะครับ มีจิตสงบแล้วมีสาธากะสัมปชัญญะมีสติมีฌานไม่มีความเพ่งเล็งในการทั้งหลายย่อมเห็นแจ้งโดยชอบเป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภัยในความประมาทชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความเสื่อมรอบย่อมมีในที่ใกล้นิพพานทีเดียวหมายคือว่าถ้าบำเพ็ญไตรสิกขาลักษณะนี้ทาด้วยความไม่ประมาทนะอย่างไรเสียก็ใกล้นิพพานซะแน่นอนละ ในคาถาท่านมีอธิบายว่าเยสันตจิตตาได้แก่พระโยคาวจรเหล่าใดชื่อว่ามีจิตสงบแล้วเพราะสงบด้วยต่ทางข้าประหารนะครับคือหมายก็ว่าจิตนี้สงบจากกิเลส ด, ด้วยต่ทางข้าประหารนั่นเองนะครับคือหมายก็ว่าพิจารณาเป็นต้นนะจนกิเลสสงบนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันสงบของมันคนเดียวนะกิเลสเนี่ยไม่ใช่นะครับหมายถึงเจริญสมถะแล้วมีปัสนาแล้วมันจึงสงบนะครับ ปัญญาท่านเรียกว่าเนปักกังปัญญาเครื่องรักษาตนชื่อว่า น, นิปกาเพราะประกอบด้วยปัญญานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยานเครื่องบริหารกรรมฐานแก่ชนเหล่านั้นด้วยบทว่านเนปักกังตอนนี้ก็คือสาธกาะสัมปชัญญะนั่นเองนะครับถ้าใช้ศัพท์ว่าสัมปชัญญะนะบทว่าสติมันโตจะชายโนได้แก่ชื่อว่าสติเพราะมีสติอันเป็นเหตุไม่ละกรรมฐานในการยืนและการนั่งเป็นต้น คือคนที่มีสติเท่านั้นนะครับจึงจะ บ, บริหารกรรมฐานเหล่านี้ต่อไปได้เชื่อว่ามีชาเพราะมีชามีลักษณะเข้าไปเพ่งอารมณ์ชาตัวนี้หมายถึงอารัมมณูปนิสชาณนะครับคือส ม, มะถะนั่นเองนะครับบทว่าสัมมาธรรมังวิปสัสสนติกามีสุอาณาเปกิโน่ความว่าไม่มีความเพ่งเล็งคือไม่มีความต้องการในวัตถุกรรมนะไม่ยินดีในปัญจารมณ์เป็นต้นนะครับและกิเลสกรรมโดยในเมียที่ว่า เขาไม่ยินดีเพราะอะไรครับเพราะพิจารณาว่ากามทั้งหลายเหมือนโครงกระดูกในก่อนแล้วนะครับกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อกามทั้งหลายเหมือนหลุมทานเพลิงกามทั้งหลายเหมือนคบเพลิงกามทั้งหลายเหมือนความฝันกามทั้งหลายเหมือนของขอยืมกามทั้งหลายเหมือนผลไม้กามทั้งหลายเหมือนดาบเหมือนหอกเหมือนหัวงูเฮาเหมือนนน่ะนะนั่นนะครับก็กับที่ในลองขยายที้ฟังในโครงกระดูกเนี้ย ขั้นอุปมาแล้วสถานี้จะขยายไว้ยังไงขยายว่านะครับมีหมาอยู่ตัวหนึ่งนะครับหมาตัวนี้นี่นะครับพร้อมโซโน้ําลายสอนะครับผ่านไปใกล้ๆในลานคนฆ่าเนื้อนะคนฆ่าวัวหรือลูกมือของคนฆ่าวัวผู้ฉลาดเนี่ยเห็นหมามันมาตอมใช่ไห ม, มารุมมันนะเฮ้ยนี่จะมากัดจะมาขโมยเนื้อไปนะทีนี้ไอ้คนฆ่าวัวหรือลูกมือของคนฆ่าวัวผู้ฉลาดเนี่ยก็เอากระดูกที่แล่เอาเนื้อออกไปหมดแล้วไปย้อมๆกับเลือดหน่อยแล้วคว้างไปนะครับ หมาตัวพร้อมโซหิวนั้นก็ไปแทะกระดูกอยู่นั่นแหะครับก็มันมันน้าลายตัวเองแต่ก็กินไม่อิ่มฉันใดการทั้งหลายที่ปุถุชนทั้งหลายบริโภคอยู่สแสวงหาอยู่ก็ไม่อิ่มฉันนั้นนะครับนะมันก็อย่างนั้นแหละครับกระล่อมกระเล็บกระลืนไปแค่นั้นนะครับกลืนน้าลายตัวเองอ่ะนะเพราะฉะนั้นสุขในกามก็เป็นอย่างนั้นนะครับหรืออีกบางแห่งพระอวกตัดว่าเหมือนกับสุขของคนที่เป็นโรคขี้เรื้อนโรคขี้เรื้อนแล้วก็ไป ไปไปย่างไฟนะครับแล้วก็เก่าซะมีความมันในเวลาเก่านะเคยเป็นฝีไหมครับแล้วตอนที่มันจะหายมันคันๆแล้วเก่าแล้วมันมันเดียคล้ายๆแบบนั้นนะครับกระดูกทั้งหลายที่เรากินไม่ได้แต่ว่าได้แต่กระล่อมกระเล็แค่นั้นนะเลเรียอยู่แค่นั้นนะครับนั่นแหละกามทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรครับอะไรกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อใช่ไหมครับเช่นกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อนี่นะครับก็ยื้อแย่งกัน ยื้อแย่งเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ทํางานเรื่องตําแหน่งหน้าที่เนี่ยนะครับเพราะนั้นเขบอกว่าถ้าปนีดมากยื้อแย่งมากอภูการก็เล่าว่ากันการก็เล่าบอกว่าถ้ามันยิ่งปณีดมันต้องยื้อแย่งกันมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการทั้งหลายเนี่ยอย่างที่ดินนะครับอย่าวยกตัวอย่างนะวัดนะเป็นวัตถุกางร์นเจ้าว่าก็จะต้องพกปืนนะครับเพื่อจะชิงวัดกันนะครับแม้กระทั่งเรื่องกุฏิเรื่องจีวรนี่มันก็ต้องทะเลาะไปแข่งแย่งกันนะนะแม้กระทั่งอาหารนี่มันก็ทะเลาะกันในวงอาหารนะครับ เพราะฉะนั้นว <emment> ัต <breakdown> ถ <larda> ุการมเนี่ยมันเป็นที่เยื้อแย่งกันนะครับเยื้อแย่งกันขอให้เป็นวัตถุนะครับคนจะเยื่อแย่งกันนะครับเยื่อแย่งแม้กระทั่งพระพุทธรูปก็คนก็ยังเยื่อแย่งกันนะครับนะพระพุทธรูปก็ยังแย่งกันนะนะสบองจีวณสังาติแว่นตานาฬิกาบ้านช่องรถแม้กระทั่งบุตรภรรยาเมียทั้งหลายก็แย่งกันนะครับผู้หญิงแย่งผู้ชายผู้ชายแย่งผู้หญิงโวเวียนแย่งสรุปแล้วมันแย่งมันเลยนะครับแม้แต่อิฐหินปูนทรายมันยังแย่งกันเลย กรารทั้งหลายเนี่เหมือนชิ้นเนื้อมันเป็นที่ยื้อแย่งกันนะครับกรารทั้งหลายก็เหมือนกับอะไรนะ oh, oh, oh, oh. คบเพลิงคบเพลิงเนี่ยหมายความว่าคนที่บริโภคกามเนี่ยจะต้องเล่าร้อนไปเรื่อยๆนะครับคือคนที่ถือคบเพลิงเดินทวนลมนะครับมันจะมีเปลวเฟิงเนี่ยตกใส่ตกใส่ตกใส่ตกใส่อย่า ง, งนะี้นะฉั้นคนที่บริโภคกามเนี่ยจะมีความสุขสบายไม่ได้นะครับ มันจะเร่าร้อนมีเรื่องให้เดือดร้อนหงุดหงิดพ่อลูกพ่อร้านพ่อที่ทํางานเป็นต้นเนี่ยนะมันจะต้องมีเรื่องให้ไม่สบายใจเรื่องให้คันให้ปวดให้แสบไปเรื่อยนะครับแล้วก็การทั้งหลายเหมือนลุมฐานเพลิงก็นับตั้งแต่นี่แหละครับตื่นตั้งแต่ตื่นแต่ดึกนอนอะไรก็ว่าตื่นแต่เช้ามืดนะครับจะกลับมานอนก็ดึกนะครับเดือดร้อนเร่าร้อ น, นเป็นต้นนะครับแล้วก็ผลแห่งการประกอบการงานก็เป็นเหตุให้เป็นโรคไข้ป่วยเจ็บนะครับ ป่วยเจ็บแล้วก็ไปแช่ถ้าไปเป็นโรคมะเร็งแล้วนะเนี่ยเหมือนกับย่างจริงๆเหมือนกับตกไปในหลุมฐานเพลิงจริงๆเพราะการบำบัดการรักษานี่มันเร่าร้อนมากนะครับนะครับกามทั้งหลายก็เหมือนหลุมฐานเพลิงไอ้คำว่าหลุมฐานเพลิงนี่นะครับในโลกนี้ในชีวิตนี้ก็ทุกอยู่แล้วนะครับเวลาสแสวงหาเวลาบริโภคเวลากว่าจะได้มาเป็นต้นเนี่ยนะก็เร่าร้อนอยู่แล้วแล้วก็ผลอันนั้นก็ทําให้ไปสู่อบายทุกคติวินิบาตและนรกเป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นร้อนทั้งในภพนี้ร้อนทั้งในภพหน้าลุ่มฐานเพลิงทั้งในภพนี้และภพหน้าการทั้งหลายก็เหมือนความฝันเนี่ยนะครับสิ่งที่เคยมีเนี่ยนะเหมือนกับฝันว่าเคยเป็นเด็กชายโน้นเด็กชายนี่ใช่แล้วก็ฝันว่าเคยอยู่วัดนั่นเคยอยู่วัดนี่มาฝันว่าเคยอยู่วัดพนมเนงไงฝันว่าเคยอยู่พุทธาสมจริงไหมล่ะดูเหมือนจริงนะครับฝันทั้งนั้นนะครับนใช่ห ฝันว่าเคยรู้จักคนนั้นฝันว่าเหมือนกับเคยรู้จักคนนี้ฝันว่าเคยเหมือนเป็นเด็กคนนั้นเคยรู้จักนี่เหมือนฝันทั้งจริงนะครับัการทั้งหลายเหมือนความฝันการทั้งหลายก็เหมือนของขอยืมเข้ามานะครับยืมความเป็นเด็กพักหนึ่งยืมความเป็นหน่มพักหนึ่งยืมความยืมที่อยู่ตรงนั้นพักหนึ่งตรงนี้พักหนึ่งยืมอยู่บนรถบ้างบนบ้านบ้างมันทุกแห่งก็เหมือนกัของขอยืมเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้อยู่เท้าวอนะครับกามทั้งหลายก็เหมือนกับ ผ ล, ลไม้ถามว่าผ ล, ลไม้เนี่ยหมายถึงว่าต้นไม้ที่มีผ ล, ลไม้ดกๆเนี่ยนะครับคนขึ้นไปกินนะนะ่คนเก่งนขึ้นไปกินนะนี่คนหลังมาแบกขวานมามันขึ้นไม่เป็นมันจะฟันอ่ะฟันปกปกปกไอ้คนข้างบนเนี่ยนะถ้าไม่รียบลงเนี่ยนะตายแน่หรือไม่ก็ทุกปางตายชั้นใดก็ดีบริโภคกามเนี่ยนะถ้ากําลังเพลินเพลินอยู่นะมัจจุราชจะมาคนนะครับถ้าไม่รีบทําบุญให้ทานเพื่อสลัดเพื่อให้พ้นก่อน ตกนรกไงยๆว่างั้นน่ะเหมือนครบเหมือนผลไม้ ก, การทั้งหลายเหมือนหอกเหมือนลาวายิงรันฟันแทงกันเป็นต้นนี่ก็เนื่องจากกามทั้ง น, นั้นนะครับการเป็นเหตุการเป็นต้นเข้านะครับจึงมีสงครามทั้งหลายแหลทั้งหมดนี่นะครับการเขน็นการฆ่าการห้ำพันนี่นะครับวิธีที่พวกปลาทั้งหลายถูกเชือดเป็นต้นเนี่ยนะครับไกลถูกเชือดปลาถูกตกเบ็ดก็เนื่องจากการทั้งหลายทั้งนั้นนะครับมันกามทั้งหลายเหมือนงูหัวงูเห่ามาคำว่ามันวิจิตดูน่ารักดีนะครับ แต่ละอย่างก็น่าเพลิดเพลินน่าชื่นชมเนี่ยนะครับมันเหมือนกับงูเหา่างูนี่นะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเนี่ยมันดูน่ารักนะแต่ที่เรากลัวนี่นะเนื่องจากว่าเรารู้ว่ามันมีพิษแต่กามทั้งหลายมันวิจิตแบบนั้นนะแต่เราไม่ค่อยรู้โทษมันนะครับเอาเนี่ยรถเกงง๋งกาลังถ้ามันชนเป็นยังไงกังงูกัดต่างกันตรงไหนเอาเนี่ยนะแต่เราเราไอความน่ายินดีมันย้อมไม่หมดนะนะี่ย นะทีนี้งูเห่ามันก็น่ารักนะ ถ, ถ้าหากมาดูพวกลายพวกแฉกพวกอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าเราเห็นนึกถึงพิษของมันอะ่ะเราก็เลยเลยรังเกียจนะครับเลยรังเกียจนั้นการทั้งหลายก็มีวิจิตแบบนี้แหละครับมไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรมันก็ดูวิจิตที่สดาบไปหมดแต่งหน้าทาคิ้วเป็นต้นนะนะแต่ไม่รู้ว่ามันกัดมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับคั้นละการทั้งหลายนั้นแล้วก็ กระทำอุปจาระสมาธิหรืออปปนาสมาธิให้เป็นบาทแล้วกําหนดนามรูปและปัจจัยแห่งนามรูปนั้นย่อมเห็นธรรมะคือขันหะโดยไม่วิปริตตามลําดับแห่งการพิจารณากราปะกลุ่มก้อนไปต้นนะครับนี่คือสัมมสนญญานะนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับบทว่าอปปมาธรตาได้แก่ยินดี คือยินดียิ่งในความไม่ประมาทด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนามีประการดังกล่าวแล้วคือไม่ให้คืนวันล่วงไปด้วยความประมาทในธรรมะนั้นนะครับไม่ปล่อยให้สมถะห่างจากตัวเลยนะสมถะวิปัสสนาไม่ห่างจากตัวไม่เลผลอไผลเลยเหมือนกันบอว่าสันตาแปล ว, ว่ามีอยู่นะครับอธิบายว่าได้แก่บุคคล บอกว่าปมาเทพยทศิโนได้แก่เห็นภายในความประมาทมีการเข้าถึงนรกเป็นต้นนะครับถ้าประมาทก็ไปสู่นรกเปรตอสุรกายและสัตยระชานเป็นต้นนะครับบทว่าอภพพาปริหานายะได้แก่ชนเห็นปานั้นเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความเสื่อมรอบจากธรรมะคือสมถะและวิปัสนาหรือจากมรรคผลด้วยว่าชนทั้งหลายไม่เสื่อมจากสมาบัติคือสมถะวิปัสนาแล้วย่อมบรรลุมรรคผลที่ตน ยังไม่บรรลุบทว่านิพานเสวะสันติเกได้แก่ในที่ใกล้แห่งนิพานและแห่งอนุปาทิเสสานิพานนั่นเองไม่นานนักชนนั้นจักบรรลุนิพานนั้นด้วยประการชนีนะครับไม่นานไม่นานเมื่อกี้อาจารย์ผมฟังเพลินๆว่าไงนะฮะว่าไม่ ทำคืนและวันให้ล่วงไปด้วยความประมาทในธรรมนั้นหรือยังไงครับคือไม่ประมาทในธรรมนั้นคือสมถะและวิปัสสนานั้นนะนะคือคนที่ประมาทก็หมายถึงคนที่ปล่อยจิตให้เป็นไปกับตามเป็นต้นนะครับแล้วก็ละทิ้งธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานะปล่อยวันคืนให้เป็นไปกับอกุศลวิตกทั้งหลายนะลักษณะนั้นชื่อว่าคนประมาท แต่ก็ไม่ทำตัวในลักษณะนั้นนะครับก็คือไม่ประมาทอย่างนี้นี่เองนะครับคือปล่อยวันคืนล่วงไปให้เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนานะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาทานี้นะครับ